ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยได้แรงเป็นภัยเล็กภัยน้อยภัยใหญ่ภัยโตภัยรอบด้าน <ừ. S 1> มีจากจีนทั้งนั้นไลยพิจารณาเต็มสติกาลังความสามารถ <ừ. S 1> มองหาไม่เห็นว่าอะไรเป็นภัยต่อสัตว์โลกก็มีกิเลสต่างคนต่างมี่เมื่อต่างคนต่างมีต่างคนก็ออกมาจ่ายตลาดสิจ่ายตลาดกิเลสจะไม่เหมือนจ่ายตลาด ของสดของแห้งที่เรานามารับทานเป็นประโยชน์แจ่ร่างกายจ่ายนี่มันร้อนต่างคนต่างมีสาดกระจายมารกรวก ม, มันก็ร้อนอพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เป็นนักรบดื่มแหลงมาตั้งแต่พระพุทธเจ้ า, า, าทรงดาเนินมาแล้วได้ผลอย่างไรก็นำวิธีการดาเนินที่ถูกต้องและได้ผลเป็นที่พอกระทยมาแล้วนั้น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 ทำประโยชน์แก่โลกมากมายก่ายกองจนขนานับไม่ได้เลยจี่สั่งสอนจะโลกให้พ้นไปได้โดยลาดับลำดับในปัจจุบันที่ท่านยังทรงประชนอยู่ก็มีจงงานวนมากมายนอกจากนั้นเทววาดก็ยังเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงาม่นบรรดาผุนนับถือเคารพท่านในดำเนินปฏิบัติตาม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 ไปทั้งสิ้นนอกจากตัวของเราเองเท่านั้นที่เราทำละเรียบร้อยแล้วอันเป็นต้บัตรของเราโดยเฉพาะมีเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอะไรบกพร่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนจะทําทยังมีอยู่พระทหารละทิ้นจากโลกอนอย่าสงสัยนะทำนี้ น, น, น, นั่นแลจะเป็นครูเป็นอาจารย์แทนเระถาคตเมื่อ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 ตัดลัดให้ขาดความลงไปยิ่งกว่า น, นี้ก็ไม่ได้จะไปยืดเยอยิ่งกว่า น, นี้ขยายออกยิ่งกว่า น, นี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นธรรมที่จำเพาะเหมาะสมกับการแก้กิเลสทุกประเภทไม่มีธรรมะก็ไม่มีกิเลสตัวใดชนิดใดที่จะเนื้ออำนาจไปจากมัดที่พร้อมแล้วด้วยมัชฌิมาคือท่ามกลางเหมาะสมมีอันนี้เป็นสําคัน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 ทานจึงไม่เสื่อมไปจากโลกเมื่อโลกยังเห็นเหตุเห็นผลไปตามหลักธรรมอยู่เช่นนี้แล้วเรื่องการสงเคราะห์ซึ่งการณารน์นี้จะเป็นไปจนกระทั่งถึงว่าไม่มีมนุษย์ไม่มีสัตว์ตัวใดข้ามอยู่ในโลกนี้ทานจึงจะหมดไปนี่เรื่องรักษาศีลก็เหมือนกันศีลตึงยังไงทำความรบเบียนให้ใจเราอย่างไรบ้างเราก็ไม่ไปเบียนเบียนใครอันไหนที่ขัดข้อง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 นี่แหละสากยาบุตรพุทธกินโรดพุทธกินโรดคือบุริษัทของพระพุทธเจ้าที่มีความพอใจต่ออัตตธรรมต่อการเป็นทานเป็นขีพ็นธน า, าก็เพราะเหตุผลอย่างนี้เองท่านถึงทำเอาทุกก็ทูกตายก็ตายเมื่อเข้าในสู่สงครามแล้วไม่ตายก็ให้ชนะเอาต า, ายก็ตายนี่นี่แล้วเข้าสู่สงครามคือแก้พิพเรตคือสู nelle, ้สกับพิเรตตัวเป็นเสืรไล่หรือเป็นอปัจจานิสอันสําคัญที่มัน